บดีจักได้แสดงพระธรรมเทศนาขณะนาความในจตวรรคครมาฐานสมโทานากถาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแก่ธรรมะกลามมบุคคลพอสมควรแก่การเวลาทำเนินความตามในแห่งคาถาพระบารมีที่ยกไว้เป็นอุด เพื่อข้งตนนั้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นอาธิซึ่งมีใจความว่าพุทธานุสติหนึ่งเมตตาหนึ่งอสุภะหนึ่งมารณสติหนึ่งสีอย่างนี้เป็นกรรมฐานที่ควรรักษาและควรทาการพิลาให้แจ้งดังนี้ เจตวรรค ก, กรรมฐ า, านแปลว่ากรรมฐ า, านสี่ที่คนรักษาควรทําการพิจารณาโดยมีอถ า, าธิบายและความมุ่งหมายประโยชน์ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้อรรค ก, กรมมฐานข้อหนึ่งคือพุทธานุสติคํานี้เป็นคําที่พวกเราพุทธศาสนิกชนเคยได้ยินได้ฟังและได้ศึกษากันมาแล้วโดยส่วนมาก หมายถึงการระลึกถึงพระพุทธคุณของพระุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งพระศาสนาหรือหมายถึงสติความระลึกที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ก็พระพุทธก็พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธคุณซึ่งเป็นในมิติกานามที่คนระลึก น, นั้นมีมากมายเป็นอเนกอันนั้น หรอที่จะนำมาพรรณาแต่เพื่อแต่เมื่อว่าโดยสังเขตก็มีเพียงสามประการคือพระปัญญาคนหนึ่งพระริสุทธิคนหนึ่งพระมหากรุณาคนหนึ่งในพระคุณเหล่านี้ข้อที่พระพุทธเจ้าจงมีพระปรีชาญาณเฉียวฉล า, าดสามารถอย่างยอดเยี่ยมไม่มีผู้ทัดทเทียมทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรม เราได้ตรัสสูจะตุราริยสัตย์พร้อมทั้งได้บรรลุวิชาสามและวิชาแปดเรียกว่าพจนญะทธิคุณกอที่พระพุทธองค์ทรงมีพระขันดาสันดานบริสุทธิ์หมดจดสะอาดอย่างยวดยิ่งไม่มีเกรดเครื่องเศร้าหมองแม้แต่น้อยเรียกว่าบริสุทธิคุณพอที่พระพุทธองค์ทรงมี พระมหากรุณาในหมู่สัตว์ทุกทวนหน้าทรงของประโยชน์สุกแกเ่เราสัตว์ทุกจําพวกไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังเรียกว่าพระมหากรุณาที่คุณอันหนึง่งพระคุณเหล่านี้หรือพระคุณทั้งหลายบรรดาที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้ามเมื่อย่อให้น้อยลงอีกก็มีเพียงสองเท่านั้นคือพระคุณส่วนที่เป็นอัตตประโยชน์ อางนึ่งพระคุณส่วนที่เป็นกรณต่อประโยชน์อย่างหนึ่งคือการที่พระพุทธรายทรงบำเพ็ญพระบารมีพุทธกาลุกธรรมมาตั้งแต่ต้นจนโดยตรัสรู้อนุตรัสมาสัมโพธิญาณเป็นพระหันตะสมาสัสมุติเจ้าในวันวิสาขาบูรณมีเป็นเดือนหกจัดเป็นพระคุณส่วนอัตตประโยชน์ การที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายตลอดเวลา45สปีนับแต่ได้ตรัสรู้แล้วจนเสด็จดับขันธปรินิพานจัดเป็นพระคุณส่วนที่เป็นปรินิตประโยชน์การระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้าไม่ว่าจะโดยย่อหรือพิสดาร แม้เพียงแต่ยกเอาพระคุณบทใดบทหนึ่งขึ้นบริกรรมภาวนาเป็นต้นว่าเอาท่านก็เรียกว่าพุทธานุสตินี้เป็นอธิบาอ ธ, าธิบายโดยย่อารักขออากาฐานข้อที่สองคือเมตตาคานี้ก็เป็นคําที่พวกเราเข้าใจกันดีทางวิถีทางพระพุทธศาสนาว่าหมายถึงคุณธรรมชนิดหนึ่ง คือความรักที่ปราศจากราคะตัณหาซึ่งมีความหวังดีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขสบายเป็นลักษณะการการเจริญเมตตาหรือที่เรียกว่าการแผ่เมตตาก็คือการตั้งใจปรารถนาให้ตนเองและคนอื่นมีความสุขสบายนึกถึงอกเขาอกเราเปรียบกันว่าเราเกียรโทษ ปรารถนาความสุขชั้นใดแม้คนอื่นก็เกียดทุกปรารถนาความสุขฉันนั้นการแผ่นั้นมีลักษณะสองอย่างคือตั้งใจเจาะจองให้คนนั้นคนนี้หรือผู้นั้นผู้นี้การแพไม่เจาะอจองนี้เป็นอธิบายโดยย่อในอารักะกกรมฐานข้อเมตตาอารักะกกรรมฐานข้อที่สามคืออสุภะ ได้แก่ความไม่สวยไม่งามแห่งอัตภาพร่างกายของตนและของคนอื่นตามความเป็นจริงอัตภาพร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวหรือเป็นคนเท่าคนแก่ก็ตามประกอบขึ้นด้วยส่วนต่างๆล้วนเป็นของปฏิกลูลไม่สะอาดไม่สวยไม่งามเช่นผมขนเล็บ ฟนหนังเนื้อเอ็นกระดูกและน้ำลายน้ำมูกเป็นต้นส่วนเหล่านี้คุมกันเข้าเป็นรูปเป็นล่างตั้งอยู่ตามที่ของต น, นมีเอ็นเลือดยึดไว้มีหนังหุ้มหองออาศัยเครื่องอภรรยภายนอกประดับตกแต่งจึงเป็นที่สวยงาม น, น่าดูน่าชมแต่ถ้าส่วนเหล่านี้รุดออกจากที่อยู่ตามปกติของตนไม่ ไปตกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเช่นผมหลุดพ้นไปจากศารีรษะในร้านตัดผมเป็นต้นน้ําลายที่พ้นจากปากน้ํามูกที่สั่งพ้นไปจากจมูกเป็นต้นพอพ้นไปเท่านั้นจะกลายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่สวยไม่อามทันงทีไม่ต้องพพูดถึงคนอื่นตนเองจะเอามือจับต้องอย่างสะอาด ส่ใสเอียนขยะขยงและไม่ต้องพูดถึงว่าจะนำกลับเข้ามาไว้ยังที่เดิมยิ่งเป็นที่ทำไม่ได้อันนี้เป็นความจริงแต่เป็นสิ่งที่คนเรามองในงทางตรงข้ามหรือไม่ยอมรับรู้ตางสภาพที่เป็นจริงพยายามปกปิดด้วยสิ่งของภายนอกและโดยเหตุที่ ดวงตาคือปัญญาถูกอวิชชาความมืดบังไว้จึงทำไม่ให้รู้เห็นอัตภาพร่างกายของตนเองและของคนอื่นเป็นอสุภะอันเป็นนักษณะที่แท้จริงได้อันนี้เป็นอธิบายในอารักกมาฐานข้ออสุภะอารักกมาฐานข้อที่สี่คือมรณสติ การร ล, ลึกถึงความตายหรือสติความระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความขาดศูนย์หรือความสุดความสิ้นสุดลงแห่งชีวิตจินสีในพบหนึ่งหนึ่งในชาติหนึ่งหนึ่งชื่อว่าความตายความตายนี้เป็นบั้นปลายของชีวิตทุกรูปทุกนามที่เกิดมาแล้วเพราะสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายด้วยกันหมดทั้งนั้น ไม่มีข้อยกเว้นจะต่างกันก็เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นความตายที่ทรงมุ่งหมายให้เราลึกถึงในมรสนิยินี้มีสองอย่างคือกาละมารณะตายเพราะถึงการเวลาหนึ่งอาการมรณนะตายยังไม่ทันถึงการเวลาหนึ่งความตายของชีวิตร่างกายตามวันตามอายุไข ขอเราสาตว์ูถึงซึ่งอายุไขตามที่ท่านกาหนดไว้ในยุคนั้นเช่นยุคที่สัตว์มีอายุ60ปี70ปีหรือ100ปีเป็นอายุไขพอมีอายุถึงกาหนดอายุไขนั้นแล้วก็ตายไปอย่างนี้เรียกว่าการมารณะความตายอย่างนี้ย่อมมีเพราะเหตุสามประการคือเพราะสิ้นอายุนั้น เพราะสิ้นบนหนึ่งเพราะสิ้นทั้งสองอย่างคือทั้งอายุและบุญหนึ่งความตายก่อนอายุไขเพราะปัจจัยคืออุปถวาเหตุเช่นเครื่องเบนตกตายถูกรกตชนตายเป็นต้นกด็ดีเพราะโครคไข้ไข้เจ็บเช่นเป็นอะหิวาตโรคและเป็นไข้ทรพิษเป็นต้นกด็ดีเพราะอัตวินิบาต กำค่าตัวตายเช่นกระโดดน้ำตายใช้อาวุธสังหารตัวตายดื่มยาพิษตายผูกคอตายเป็นต้นกด็ดีรวมเรียกว่าอาการมรณะการคิดคำหนึ่งถึงความตายทั้งสองอย่างนี้ซึ่งอาจจะเกิดมีแก่ตนได้ในเวลาหนึง่งโดยมีสติสัมปชัญญะควบคุมกำกับโดยแยกายหรือแม้ การยกเอาความตายขึ้นเป็นบริกรรมภาวนาจะใช้ภาษาโมคตรหรือภาษาไทยอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็เรียกว่ามรรสติเหมือนกันนี้เป็นอธิบายโดยสังเขปในอารักกกรรมฐานข้อมรรสติกาฐานทั้ง4นี้มีอยู่ในทำต่างหมดกันแต่ท่านผู้รู้ยกมาจัดเข้าไว้เป็นทำหมดเดียวกัน โดยมงหมายผลประโยชน์ในทางปฏิบัติที่จะพึงเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติและแก่มวลชนผู้อยู่ร่วมโรคเดียวกันซึ่งต่างชาติต่างภาษาและต่างศาสนากันแม้จะเป็นคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันและศาสนาเดียวกันก็ยังมีัายาศัยจิตใจความประพฤติและความเป็นอยู่แตกต่างกัน พือใหบุคคลผู้มีความต่างกันเหล่านี้อยู่ร่วมโลกเดียวกันโดยความสมัครสมองสองเมื่อกี้เห็นอกเห็นใจกันน้อยเอารัดเอาเปรียบกันไม่อาฆาตพยาบาทจองร้างจองผานซึ่งกันและกันโดยอาศัยสื่อสัมพันธ์คือธรรมะเช่นอารักขากรมาฐานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาจิกชนผู้นำถือพระพุทธศาสนาควรเจริญพุทธานุสติกรรมฐานทำให้จิตใจเรื่มใสในพระพุทธคุณใจจะได้มีรักยึดเหนี่ยวมีที่พักอาศาัยเมื่อใจมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่พึ่งอาศาัยคือพระพุทธคุณแล้วต่อจากนั้นควรเจริญเมตตาหรือที่เรียกว่าแผ่เมตตา เพราะว่าในโลกนี้มิใช่มีแต่เราอยู่คนเดียวยังมีคนและสัตว์อีกนับจํานวนไม่ท้วนอาศัยอยู่การอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะจํานวนมากๆจะมีสุขสมาราณิษฐ์จากการเบียดเบียนกันไม่ก่อกรรมทําเวรแก่กันแลยกันก็ต้องอาศัยการแผ่เมตตาตั้งใจปราชนาะความสุขให้แก่กันแลยกันตามหลัก ทำทางศาสนาที่ท่านผู้เป็นศาสดาแนะนำสั่งสอนโรคที่เราอยู่นี้ถ้าขาดเมตตาก็จะเกิดกรียุกเป็นไฟทั่วไปในที่สุดจะถึงความพินาศรม่มชมแต่โรคยังเป็นโรคที่น่าอยู่อาศัยเพราะมีเมตตาค้าจุนโรคตามในแห่งธรรมพาสิที่ว่าโลโกปัมพิกาเมตตา เมตตาย่อมค้ำจูนโลกไว้ดังนี้แต่เพราะในโลกนี้มีบุคคลและอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคในการแผ่เมตตายอยู่มากมายการแผ่เมตตาจะดำเนินไปได้โดยยากถ้าขาดธรรมะที่เป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุนบางทีอาจหยุดชะงักลงเจริญต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้น เพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้ท่านจึงยกเอากรรมาฐานข้ออสุภะและมาสติมาเป็นเครื่องพองเครื่องป้องกันและพยุงส่งเสริมให้การแผ่เมตตาดมเนินไปได้โดยดีไม่มีวสากข้อขัดท้องในบุคคลและอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดจจะเป็นวสากในการแผ่การแก้ปัญหายุ่งยากที่จะเกิดมีในเพราะเหตุนี้ ผู้เจริญเมตตาหรือแผ่เมตตาจำต้องอาศัยอสุภกรรมฐานการพิจรณาตาภาพร่างกายของตนและคนอื่นที่สมมุติเรียกกันว่าหญิงว่าชายและว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นเป็นเพียงสมเป็นสมมุติบัญญัติเท่านั้นจะหาสิ่งที่เรียกว่าตัวของเราหรือของเขานั้นไม่มี เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมคือธาตุสีคุมกันเข้าเพราะอาศัยเหตุปัจจัยมีอากาศธาตุและวิญญาธาตุเข้าอาศัยก็ทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและในตัวคนเราแต่ละคนมีลักษณะเหมือนกันหมดคือเป็นของไม่สวยไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดเพียงแต่ขาดการอาบน้าชาระ คัสีสวันเดียวก็มีกินที่ไม่น่าเจินใจเข้าใกล้ใครเขาก็รังเกียจและยังสิ่งโสโครกต่างๆออกมาทั่วสภพางกายเป็นภาดะาต้องชำระล้างเสมอเมื่อพิจารณาดูลักษณะตามเป็นจริงเช่นนี้จะทำให้ความหลงรักหลงชังความโกรธแค้นและความพยาบาทมาร้ายลดน้อยเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปเป็นเหตุให้การแผ่ไมมจะาดำเนินต่อไปได้แต่ถ้าพิจารณาอย่างที่กล่าวมาเล่านี้เป็นเหตุบรรเทาให้ได้เพียงความกําหนัดรักให้กับความรักสวยรักงามในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเท่านั้นอย่างบรรเทาความขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่ได้ ก็ให้พิจารณากรรมาฐานข้อรัสติว่าคนเราคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นไพร่ผู้ดีเศรษฐีหรือยา ก, ยา ก, ก, กอะยจบก็ตามเป็นคนโง่หรือคนฉลาดมีอำนาจวาสนามียศถาบรรดาศัตว์เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองก็ตามเกิดมาแล้วในที่สุดก็หนีความตายไม่พ้นจบกันลงแค่ความตายเท่านั้น ด้วยวจนะประพันธ์ที่ตรัสสอนให้พนหนีน า, ารรมมาานานึงๆว่าพระนาธรรมหมมฮี่พระนาณาณิตอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะหวงพ้นความตายไปไม่ได้ดังนี้เมื่อตายแล้วทรัพย์สมบัติพัสดุานทุกอย่างบรรดามีในเมื่อยังมีชีวิตก็ต้องถูดทอดทิ้งก็ต้องถูกถถอทก อ, กอดทิ้งไว้ในโลกนี้ ให้เป็นสมบัติของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกใช้สอยสืบต่อไปจะเอาทรัพสมบัตินั้นติดตัวไปไม่ได้เล ย, เลยแม้แต่น้อยถึงอัตภาพร่างกายที่ยึดถือหนักยึดถือหนาว่าเป็นของตนรบนปืธนุบำรงประดับประดาตกแต่งปปัจจัยน า, นานาชนิดถ้าที่อำนาจวาสนาจะนำอําหน่วยให้ในสุดเมื่อหมดลมหายใจ ก็ต้องตกไปเป็นภาระของคนอื่นเขาจัดการฟังหรือเผาให้เป็นเท่าทานทับถมแทนดินอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครมีฤทธิ์มีอำนาจบางอาจเอาติดตามไปได้เมื่อพินายเช่นนี้จะทำให้ความโกรธแค้นความพยาบาทอาฆาตและความโลภโอโทสันที่ก้มรมหัวใจอยู่นั้นให้ลดน้อยลงหรือให้หมดไปสิ้นไป เมื่อเป็นเช่นนี้การแผ่เมตตาก็จะเป็นไปได้ในสัตว์ทุกจำพวกตลอดพั่วทั้งโลกโดยไม่มีอุปสรรคด้วยอำนาจการบำเพ็ญอารักขกรรมฐานเป็นธรรมสามาคัคคีเกิดมีในจิตใจของคนเราแต่ละคนจะเป็นทางส่งเสริมให้เกิดมีความสุขแก่มนชนทุกคนนั้นไม่เหลือหน้าจะมี ชาติชั้นวัณ น, นาภาษาและศาสนาที่แตกต่างกันซึ่งรวมอยู่ในโลกเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาจึงเรียกกรรมฐานสี่อย่างนี้ว่าอารักขกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ควรรักษาและพิจารณาบำเพ็ญส่งเสริมให้เกิดมีอันเป็นอุบายวิธีที่จะนำสังคมมนุษย์ไปสู่สันติสุข ตามวิถีทางแห่งพระพุทธศาสนาได้แสดงมาน่ายจะตัวรรคขกรรมฐ า, านสมโทฐานกถาพอสมควรเก่เวลาเอวังประเมดดวยประาการัชนีเอขาวรีวะหาปุราบริปุเรนติสากลางเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอปกปติอิจิตังปฏิตังตมหังคิปเมวะสมิจะตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันนราโสยถาจูติราโสยถาสกิติโยวจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตปตระโยสุขีธีคายุกปปัปิวาธนาศิริสันิจังอุทาปิจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏทันติอายุอันโนสุพังผ้ารังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 แบบนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาพรนลนาศาสนาธรรมพรรมะคือคำฝั่งสอนในพระพุทธาศาสนาตัวเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาความเชื่อภาษาพระความเลื่อมใสและเป็นอุปกระแก่การปฏิบัติธรรมของท่านสาธุชนพอสมควรเกิเวลาเป็นลําดับไปทุกทุกคนที่เกิดมาย่อมจะต่างกันโดยจริต อัธยาศัยชาตะกูลภูมิประเทศและอื่นๆ อ, อ, อีกถึงอย่างนั้นก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายเป็นันเดียวกันคือปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เหตุนั้นใครอันใด ต, า ต, า ต, าตา่างฝันอันเกินที่วันวานไม่มีใครอยากพบเห็นถึงกระนั้นผลก็ยังมีดีมีเลวร็ววนี้ต่างช้าได้สุขได้ทุกข์ต่างกันด้วยความจริง เห็นตนเป็นทุกข์แสนจะอัตคัดขัดสนแสนจะอดอยากแสนจะลำบากเห็นคนมั่งมีเป็นผู้ใดสุขมีเงินเป็นแก้วสรอพัดนึกราธนะสิ่งใดกดสมหวังปต่คนมั่งมีก็ย่อมเห็นตนเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นคนแค้เงินมากจงต้องหามากการหาเงินนั้นต้องติดขัดในานเกินกาล สรางพระาชันธขันธ์ทองกับคนนั้นกับพวกนี้หามาได้ยังไม่ทัดเทียมกับคนอื่นๆราชดรก็ย่ามเห็นจนเป็นผู้ได้ทุกข์มีการงานมันจะต้องทาหนักต้องหาเงินไว้เสียภาษีองค์กรและใช้จอาอื่นๆอีกเนาะ เป็นข้าราชการก็ต้องอยู่ในวินัยข้อบางังคับของราชการที่ได้รับแต่งตั้งแต่ย่อมมองเห็นตนเป็นคนได้ทุกเมื่อราชการติดขัดอยู่เสมอเสมอต้องแก้ไขต่างๆนานาบางคนรับว่าราชการใหนตำแหน่งที่ดีก็ต้องระวังตัวตั ว, ตวคนอื่นเขามาแย่งตำแหน่งหรือแย่งขึ้นมาโดยสูงสุด ไตรชาหมากระสัดก็ย่อมจะทรงพิจารณาเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ได้ทุกเหมือนกันด้วยมาทรงคํานึ่งว่าทำอย่างไรที่จะให้ว่าสะดอนอยู่เย็นเป็นสุขทำไหนหนอการทํามาภิกินของประชาชนจะเป็นไตได้โดยสะดวกทำไฉนมหาทนพระบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเป็นกำลังของประเทศชาติทำไฉนโจรผู้ร้อจะิญงบ ทำฉนันข้าราชการจะรู้สึกสำนึกตัวในหน้าที่แลวทำราชการโดยผูย้สัตว์ูกจริตมุ่งความใก้้หน้าของประเทศชาติเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งและมีความเมตตากรุณาในราชดอนทำฉนันความสามัีพรองดังในพวกท้าราชการ้วยทันพอดีนายกว่าราชดอกับผู้ปกครองก็ดีจักเป็นไปกลมเกลิวกัน ทั้งำไหนจะกรักษาความเป็นเอกราพของประเทศให้มั่นคงถาวรทั้งฉนจะมีกําลังและอํา น, นาจพอจะระงับการจราจนภายในประเทศทั้งฉนจะมีกําลังปราบรามผู้ก่อการร้ายและศัตรูภายนอกให้รบาบตื่นทำไฉนจะทําความรุ่งเรืองแห่งแผ่นดินให้เจริญเทียมทางประเทศอื่น ทง้งไหนจะรักษาไตรประเทศอื่นให้สนิทสนมไม่แตกหัาค่านนี้แลเป็นความทุกข์ของผู้นำเมื่อใดโดยสรุปก็จะเห็นได้ชัดๆว่าทุกๆคนล้วนแต่มีทุกข์ทางนั้นแต่ทุกข์นั้นก็มีทุกข์เป็นขั้นๆตามฐานะของบุคคลเป็นคนยากจนก็เป็นทุกข์อย่างคนยากจนเป็นชาวนาก็เป็นทุกข์อย่างชาวนา เป็นพ่อค้าท้าบาดีกว่าทุกอย่างพ่อค้าทาบาดีเป็นข้าราชการกว่าทุกอย่างข้าราชการเป็นพระราชาหมากษสัตสว์ก็ทรงในรับทุกอย่างพระราชาหนากิษสัตว์เป็นผู้นำของประเทศก็เป็นทุกอย่างผู้นำไม่มี ใ, ใคเลยที่มีทุกแต่ทุกมากทุกน้อยตามฐานะของตนทัศนของตนแต่ทุก ดังกล่าวเป็นทุกทางกายหากเป็นคนชั้นต่าก็จะมีทุกขมากถ้าเป็นคนชั้นสูงทุกก็ย่อมเบาบางลงแต่ทุกทางใจไม่ได้เบาบางและลดลงคนทุกขตามประเภทนั้นจัดได้ว่าเป็นใครอย่างหนึ่งหนึ่งท้องบุคคเพราะเป็นของแม่ครัวเมื่ของท้องไม่มีใครอยากประสบเพราะเห็น แต่จงต้องพบเห็นโดยเหตุ น, นั้นบุคคลจึงต้องอบรมพลังคือกำลังไว้ไื่เป็นเครื่องฟ้องกันหรือต่อสู้ทุกข์ในนั้นคพื่ จ, จะหนีหน้าหนีหาได้ไม่ก็พลังคือกำลังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้มีสองคือพลังกายอย่างหนึง่งพลังใจอย่างหนึ่ง แต่กำลังกายนั้นพอจะสู้ได้ก็แต่ทุกทางกายสิ้นไม่สู้จะสำคัญนักทุกทางใจเป็นของสำคัญกว่าเพราะทุกทางใจเป็นของหนักซึ่งบุคคลอื่นแรไม่เห็นนอกจากตนด้วยเหตุ น, นั้นบุคคลจึงต้องมีทำปฏิบัติเป็นพลังอุดหนุนอยู่ภายในจิตใจอบรมอปร ม, มให้เกิดเป็นกำลังภายใ น, น เพื่อเป็นเครื่องป้องกันและต่อสู้ทุกอย่างนั้นซึ่งจะหันหน้าหนีหาได้ไหมก็พลังคือกําลังนั้นเพียงกําลังกายก็ยังสามารถให้สำเร็จกิจงางนั้นได้ตามที่มุ่งหมายแต่ถึงอย่างนั้นยังไม่เท่ากําลังใจอันเป็นพลังคือกําลังสําคัญยิ่งท่านบุคคลชั้นสามันย่อมต้องอาศัยกําลังกายกําลังใจประกอบกันเป็นพลังสองเท่า ยังสามารถให้สำเร็จกิจนั้นได้วัยอิสรชนแม้กำลังกายจะบกพร่องไปบ้างเมื่อบริบวนด้วยกำลังใจ ย, ย่อมสามารถให้สำเร็จกิจนั้นได้โดยไม่ติดขัดยิ่งพร้อมด้วยกำลังทั้งสองสถานคือกำลังใจยทำให้เกิดเป็น<ค>กำลังสองเท่แล้วก็วยิ่งสามากขึ้นให้ฝ่ายกำลังกายเล่าก็จะย่อมเจริญเนได้อาศัย การบริหารส่วกนกรลัการย่อมต้องอาศัยทำปฏิบัติเป็นเครื่องอบรมมังจะเป็นไปในทางที่ดีที่ชอบเพราะกดด้วยประโยชน์ด้วยเหตุนี้นั้นว่าพระยาภาคเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมมันเป็นกำลังใจไว้เพื่อให้สาธุชนยึดถือเอยงใจใอาฐานต้ององในทุกประการดัง ถบัญหารที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปะบทว่าตเวมานิพิพตเวปานิกระตํานิตะเวปฏิสั้งข้าวพระวันจะพาวันนาพระวันจะแปลว่าบุทพิสูจน์ทางหลายกำลังมีอยู่สองอย่างคือกําลังพิจารณาหนึ่งกำลังอบรมหนึ่งกำลังพิารณาตามที่แสดงไว้ในบาลีนั้นแต่เกี่ยวกับที่บุคคลบางคนพิจารณาเห็น ก็เพราะตั้งใจทำงานตั้งใจทำบ่อยๆตั้งใจอบรมจนเกิดเป็นกาลังปัญญาการอบรมนอกจากจะเป็นกำลังให้สำเร็จประโยชน์ภายนอกแล้วก็ยังเป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมอีกด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นต้องขบคิดเจรนาะเมื่อเราขบคิดแล้วทิ้งไม่ได้ต้องคิดบ่อยๆคิดเสมอร่ำไป จิตใจที่ยังเป็นจิตใจของอุตตชนอยู่ยังเป็นโลกิย จ, จิตยังเกี่ยวข้องอยู่กับโรคยังตกต่าได้อยู่ยังไม่พ้นจากอํานาจของกิเลสจึงต้องคิดพิจารณาบ่อยๆทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งไว้นานๆไม่คิดไม่พิจารณาก็กิเลสก็จะเข้าแทรกถ้าเราไม่คิดให้ทะลุปู่โปงไม่เจาะแทงให้ตลอดนานๆ ก็ลืมเพราะฉะนั้นต้องทําบ่อยๆต้องทําเสมอไม่ขาดสายอย่างนี้เรียกว่าการอบรมอันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญญาการอบรมนั้นก็ต้องก็คือภาวนาก็ภาวนานั้นท่านให้ทำสองอย่างคือในชั้นแรกให้ทําใจให้สงบการทําใจให้สงบนั้นเรียกว่าสมาธิภาวนาอยาที่สงบเป็นเหตุให้เห็นอัด เห็นทำอันตรึงเรียกว่าวิปัสนาภาวนาแต่ถ้าทำใจไม่สงบแล้วจะไปทําให้เห็นแจ้งรู้จริงไม่ได้อุปมาเหมือนไม่มีดวงไฟแล้วจะดูของในที่มืดไม่มีไฟฉายสองก็มองไม่เห็นดังนั้นจึงต้องทําใจนี้ให้สงบก่อนเมื่อทําจิตให้สงบแล้วก็อบรมตนการอบรม ตนนั้นขึ้นอยู่กับการอบรมจิตของตนจนเกิดเป็นกำลังภายในด้แก่ทำจิตใจให้สงบนั่นเองหาก จ, จะถามว่าให้สงบที่ไหนก็อตอบได้ว่าให้สงบอยู่ที่ใจของเราคือตัวของเราเองอย่าปล่อยให้ใจพร่านไปที่อื่นอย่าปล่อยจิตให้ไปคิดให้ไปติดลูก อย่าปล่อยจิตให้ไปติดหลานติดเงินติดทองและอย่าปล่อยให้จิตไปติดคนโน้นติดคนนี้เป็นต้นแต่ต้องบังคับต้องอบรมจิตให้เป็นจิตของตนให้เป็นจิตของจิตอย่างอาจารย์บางท่านสอนไว้ว่าให้ใจอยู่ที่ใจอย่าให้ใจไปเกาะไปยึดอยู่ที่อื่นโดยมากใจไม่ได้อยู่ที่ใจมักไหลไปอยู่ที่อื่น ท่านจึงสอนว่าให้ใจอยู่ที่ใจใช้อยู่ที่ใจก็คืออยู่ที่ตัวใช้อยู่ที่ตัวก็คืออยู่ที่อารมณ์ที่บริกรรมอย่างนี้เรียกว่าทําใจให้สงบคนที่ทําใจให้สงบไม่ได้ก็ไม่สามารถทําให้เกิดปัญญาคือแม้จะพยายามรับปัญญาก็รับไม่ได้ถึงรับได้บ้างแล้วก็ไม่คมต่อเมื่อ มาทำใจใสงบได้ที่แล้วต่อไปก็อบรมให้เห็นแจ้งจนให้เกิดปัญญาเจาะแทงให้เห็นจริงคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังไม่เห็นก็หลงติดอนิจจังสุก ข, ขังอัตตาพอมันแสดงความจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสาภาพก็เกิดความตึกเดือดร้อนท่านจึงว่าอนิจจังทุกขงังอตารู้ลงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจ เมื่อมาพิจารณาเห็นแน่ชัดแล้วจะจับตัวไหนก็ได้อย่างนางวชิราภิกษุณีจับตัวทุกได้ว่าทุกขเมวะเหิสัมโพติทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกขัางติทติเวติจะทุกเท่านั้นดับไปนั น, นยัตระทุกขาสัมโพตินอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด นานยัตระทุคฆาในรสติตนอกจากทุกไม่มีอะไรหลับเมื่อมาเห็นอย่างนี้สวะปิตจิตตังวิมุจจิตถากจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะอวิชชาปิติตตังวิมุจจิตถากจิตพลแล้วแม้จากอวิชชาสวะ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็เป็นจิตบริสุทธิ์ผุดพองและปราศจากเครื่องเศร้าหมองโดยประารทั้งปวงเมื่อสาธุชนได้มาใช้กำลังพิจารณาจนเกิดเป็นกำลังภายในและมาตั้งใจอบรมตนจนกระทั่งทำใจให้สงบแม้จะไม่ได้วีมุดหลุดพ้นจากอิเดสาวะโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติจิต อบรมจิตทำจิตใจให้สงบเยือ ย, ย็นเย็นทำใจให้ปราด ช, ชากความโกรธกวายการปฏิบัติธรรมตามที่แสดงม า, า, าก็จะได้ผลตามความมุ่งหมายแก่ผู้ปฏิบัติทุกประการซึ่งเมธถอธิบายดังแสดงมาด้วยประการศนียเมธาวะรีวาหาภูรารปฏิภูเรนติสาขังเอวะเมวะอิตูทินนัง เอตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตมหิปะเมวัสสะมิเกตุสะเพปเรนตุสังกัปปะยันโทปันนะโซยัถะตูตีโซยัถสพีติโยวัจันตุสพะโรโคยนะสะโตมาเตภวัตันตรายโยสุขิทิคายุโกภะภิวาธนะสีริสานิจังมุธาปัจจยโนจตาโรธรรมาวัฏทันติอายนโลสุขังพระรัง